ในบริเวณนี้มีวัดอยู่4วัดคือหนึ่งวัดลังกาวัดนี้เป็นสาขาของสมาคมมหาโพลเลขานุการของสมาคมเป็นพระทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วโลกสองวัดพมา่าสาวัดจีนวัดนี้ในโอบุญโฮเจ้าของห้างขยาตาเสือเองอันตองเป็นผู้อุปการะพระที่วัดนี้มาจากปักกิ่ง สวัดพรมวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆพระเจดีย์ที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างไว้เวลานี้ยอดหักพังลงมาเหลือสูงประมาณ8ว่วาสถานที่นี้ปรากฏว่าเคยมีพระบรมธาตุแต่บัดนี้ได้นำเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองกันกะตาได้พักอาศัยเที่ยวสำรวจดูบริเวณนี้อย่างถี่ถ้วนก็เชื่อมั่นรอยเปอร์เซ็ ว่าพระพุทธเจ้าได้เคยทรงแสดงธรรมจากจริงสถานที่พระองค์นั่งแสดงก็ปรากฏอยู่มีวิหารอยู่แห่งหนึ่งหักร้างจารึกชื่อผู้สร้างไว้ว่ามหาราชามีท่านหินแห่งหนึ่งขนาดตัวประมาณครกตําข้าวสูงประมาณเจ็ดศอกหักออกไปเท่าหนึ่งแล้วขณะนี้มีปรากฏอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มีพระพุทธรูปสําคัญองค์หนึ่งมีศิราจารึกว่าอาโศก มหาราชาเป็นผู้สร้างหน้าตักกว้างประมาณหนึ่งศอกคืบยาวมีความสูงตามส่วนของโลกสวยงามมากสร้างด้วยหินเมื่อได้สารวจดูพอรู้เรื่องรู้ราวพอสมควรก็เลยเดินทางออกจากเมืองพาราณสีกลับลงมาพุทธคยาที่เมืองพุทธคยานี้มีที่พักในเมืองแห่งหนึ่งเป็นสาขาของพุทธสมาคมพอลงจากรถไฟแล้วก็ขึ้นรถมาวิ่งไปตามถนน เมืองนี้เป็นเมืองที่ราบเรือนกว้างขวางมีภูเขาดินเป็นเนินสูงมีแม่น้ำใหญ่สายหนึ่งชื่อเนรันชราแต่ตื้นเขินมีน้ำตลอดปีแม้หนฤ ด, ดูแล้งก็มีน้าไหลผ่านอยู่เสมอตรงกลางเมืองเป็นสันเนินที่กลางสันเนินนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้เคยไปประทับเรียกว่านิโครธาราม และมีเทือกเ่าบ้านของนางสุชดาอยู่ในแถวนี้ต่อจากนั้นไปเป็นแม่น้าอโนมาแม่น้ำนี้กว้างใหญ่เต็มไปด้วยทรายในฤดูแรงเวลาน้ำแห้งแลดูเหมือนทะเลทรายมีน้ำไหลนิดิดเดินทางวกกลับคืนแม่น้ำในรัญชาามาได้สักหน่อยก็ถึงพระจดีแห่งหนึ่งมีต้นทองกวาวขึ้นอยู่เป็นกลุ่มๆที่ตรงนี้เรียกว่ามุจจินคือสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ในสมัยกลางนาคปกในระหว่างบริเวณต้นโพที่พระองค์ตัสรูมีพระพุทธ ร, รูปแกะด้วยหินมีพระเจดีเก่าเล็กๆแกะด้วยหินมากมายมีเจ้ารัที่ต่างๆไปนมัสการมิได้ขาดพักแรมอยู่ที่เมืองพุทธคยาพอสมควรก็ได้กลับมาเมืองกันกันตาพักอยู่ที่นารันทะสแควร์บูดิส์เทมเพลได้พักอยู่พอสมควรแล้ว ก็ได้าล่ำล้าเพื่อนฟองที่สนิทสนมคุ้นเคยกับโรงเรือที่ท่าเมืองกันกะตาในเดือนมีนาคมพศ .2482 ปลายปีในตอนนี้ไอ้มหาสงครามโรคครั้งที่สองกำลังคลุกกลุ่นใกล้จะถึงจุดระเบิดขึ้นไปทางประเทศจีรมันได้ได้เห็นเดรบมิ่งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียหลายลำได้มองเห็นเวลาเหลือแล่นผ่านมา นอนอยู่ในเรือกลางมหาสมุทรอินเดียสองคืนสวันก็ถึงท่าเรือเมืองย่างกุ้งได้ขึ้นไปพักบนพระจดีชเวดากองได้ไปเยี่ยมยมที่เคยมีอุปการะได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ อ, ออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทางรถไฟสมัยนั้นเครื่องบินโดยสารยังไม่มีจึงต้องเดินทางกลับตามเส้นทางสายเดิมเมื่อถึงําเภอแม่สอดรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางข้ามเขาจึงได้ติดต่อ ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินไทยเที่ยวอำเภอแม่สอดขึ้นเครื่องบินจากอำเภอแม่สอดมาลงที่จังหวัดพิษณุโลกจับรถไฟจากจังหวัดพิษณุโลกไปจังหวัดอุตรดิตถ์พักอยู่ที่วัดสันยปง์ได้ไปเยี่ยมญาติโยมและศิษย์เก่าพอสมควรแล้วได้ออกเดินทางไปพักอยู่ที่พระแท่นเจริญอาจเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพพักที่วัดสัปปทุมต่อจากนั้นได้เดินทางกลับไปจามนสา ที่จังหวัดจันทบุรีอีกตามเคยได้จรมาสาอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเป็นเวลานานถึง14บัรษาจนเกือบถือได้ว่าเป็นบ้านของตนเองปัจจุบันนี้มีสำนักที่ได้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งเส้นทีอ็ดสำนักคือ 1. วัดป่าคลองกุ้งอำเภอเมือง 2. วัดสายงามบ้านหนองบัวอำเภอเมืองสามวัดเขาแก้วอำเภอเมือง 4. วัดเขาน้นยท่าแฉล็ดหวัดยางละหงอำเภอท่าใหม่ 6. วัดเขาน้นยอำเภอแหลมสิงห์ 7. วัดเขาจาหัน่นอำเภอท่าใหม่ 8. วัดแหลมยางอำเภอแหลมสิงห์ 9. วัดใหม่ดำรงธรรมอำเภอครุง 10. วัดบ้านอีมั่งอำเภอกรุง11สํานักสงฆ์สามแยกสถานีทระดองกสิกรรมน้าตกเขาสาบบา สำนักเหล่านี้ได้มีพระประจำอยู่ทุกแห่งได้ตั้งเป็นวัถววร้วก็มียังเป็นสำนักของอยู่ก็มีต่อมาปีพศ2784ได้เกิดสงครามอินโดจีนและมหาสงครามโรคครั้งที่สองในระหว่างสงครามในทต้องเที่ยไปในจังหวัดต่างๆวกไปเวียนมาอยู่ตลอดเวลาจนถึงพศ2493เมื่อสงครามโรคสงบลงแล้วก็นึกจะออกไปประเทศอินเดียอีก พอถึงเดือนพฤศจิกายนก็ได้เตรียมการขอหนังสือเดินทางการไปประเทศอินเดียครั้งนี้ออกจะยุ่งยากเพราะสงครามเพิ่งสงบใหม่ๆพอเตรียมการทำหนังสือขออนุญาตก็ได้ถามโยบอุปถักและวยาวัจกรคือคุณอำนาจว่ามีมูลค่าปัจจัยอยู่เท่าไหร่ได้รับตอบว่ามี70บาทแต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางประมาณ120บาทเมื่อเป็นอย่างนี้ญาติโยมได้ทราบเรื่อง ต่างพากันมารองทุกห้ามไม่ให้ไปแต่ได้ตอบว่าฉันต้องไปย้มตอบว่ามีเงินเท่านี้ไปไม่ได้จึงได้ตอบว่าฉันไม่ได้ให้เงินไปฉันเอาตัวไปต่างหากเมื่อพโพชฌ น, นีสานุษธิ์ก็เข้าใจว่าเราต้องไปจริงต่างคนต่างช่วยกันบริจาคทรัพย์เป็นค่าพานะเดินทางอยู่มาวันหนึ่งพญารัตพีธรรมประคันกับนายจำนาญ ดอประสเดิฐได้เดินทางไปพักอยู่ที่วัดเมื่อได้ทราบว่าเราจะเดินทางไปประเทศอินเดียจึงได้สนทนากันดังต่อไปนี้พญารัพีได้ตั้งปัญหาถามขึ้นสองข้อว่าท่านจะไปทำไมธรรมะมีกับตัวเราทุกคนและท่านรู้จักภาษาของเขาหรือจึงได้ตอบว่าพมา่าแขกก็เป็นคนเหมือนอาตมาคนกับคนไม่รู้จักภาษากันมีหรือในโลกนี้ พยาลพีจึงว่าท่านจะไปยังไงเงินของท่านมีพอไหมตอบว่าพอเสมอถ้าเงินท่านขาดท่านจะไปได้อย่างไรเงินที่จะขาดไปนั้นมันก็คงขาดเหมือนผ้าหนุงขาดคือค่อยๆขาดทีละช่องทีละตอนชั้นใดอัตมาก็ฉันนั้นก่อนเงินหมดจะไม่รู้อะไรบ้างหรือท่านรู้จักภาษาฝรั่งไหม อาตมาอายุ40ปีถ้าไปเรียนภาษาฝรั่งหรือภาษาแขกอาตมาเห็นว่าจะสามารถเขียนได้ดีเว่าลูกแขกหรือลูกฝรัง่งในที่สุดก็หมดโอกาสคุยกันและพระยารัฐพีได้พูดกันอีกว่าแกลงพูดกับท่านเฉยเราจึงพูดว่าสำหรับอาตมาไม่ได้ศึกษาเจ้าคุณแต่ต้องพูดไปอย่างนี้แหละต่อจากนั้นญาติโยมพระนิน ต่างาพากันบริจาคช่วยเป็นค่าเดินทางได้มูลค่าทั้งสิ้นประมาณหนึ่งมืนบาทเศษจึงได้เดินทางจากจังหวัดจันทบุรีมาพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสได้ติดต่อสถานทูตขอวีซ่านังซือเดินทางก็ได้รับความสะดวกโดยการอนุเคราะห์ของสิทธ์ฝ่ายตำรวจมีพันตำรวจเอกสุดสงวนตันสติดเป็นผู้จัดการช่วยเหลือ ส่วนการขอแลกเงินตาต่างประเทศได้วิ่งเต้นโชดเดอร์กันเกือบไม่สําเร็จเพราะขณะนั้นราคาเงินปอนในตลาดมืดขึ้นสูงถึงปอนละ50บาทแต่อัตราของทางราชการหนึ่งปอนต่อ35บาทการวิ่งเต้นขอแลกเงินตาต่างประเทศนี้รู้สึกว่ายุ่งยากมากเกือบจะหมดหวังจึงได้ตั้งอธิษฐานจิตว่าเราจะไปเยี่ยมเพื่อนและสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับ เพราะไปมาคราวโขนยังไม่ชัดจึงอยากจะไปอีกครั้งหนึ่งได้ตั้งอธิษฐานว่าถ้าจะไปได้จริงในครั้งนี้ขอให้มีคนใดคนหนึ่งมาช่วยให้แลกเงินตาต่างประเทศได้สำเร็จหลังจากที่ได้ทำการอธิษฐานได้สี่วันนายบุญช่วยสุภาษีได้โพน้าขึ้นมาถามว่าท่านพ่อแลกเงินได้หรืยอยังครับจึงตอบว่ายังไม่ได้นายบุญช่วยจุรสี จึงตอบว่าผมจัดการเองจากนั้นเขาได้วิ่งเต้นติดต่ออยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้ไปติดต่อกับกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยเขาได้หนังสือแนะนําจากเพื่อนฟงและหนังสือรับรองหนึ่งฉบับจากอดีตรัฐมนตรีเลี่ยงชายการสสจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งขณะนั้นดารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วงการกระทรวงมหาดไทยไปติดต่อกับธนาคารชาติ ครั้งแรกไปติดต่อได้รับคำชี้แจงว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้แลกได้นายบุญช่วยจึงได้ปรึกษากับนายจรัสแตงน้อยและนายสมปองจันทรางกูลซึ่งทำงานอยู่ที่ธนาคารชาติตกลงพลสุดท้ายได้มีสิทธิแลกเปลี่ยนเงินตาปอนตามอัตราราชการได้โดยนายจรัสได้เสนอให้ความเห็นสนับสนุนว่าควรให้แลกเพราะเป็นการเดินทางไปเผยแพร่ พระพุทธศาสนาในต่างประเทศจึงเป็นประโยชน์ส่วนรวมแก่ประเทศชาติและศาสนาจึงแลกเงินปอนด์ได้ทั้งสิ้น980ปอนด์เมื่อแลกเงินต่อต่างประเทศได้แล้วก็ได้ไปติดต่อขอวีซ่านังสือเดินทางทางด้านกระทรวงต่างประเทศเขามีนายประชาโอสถานนบนเป็นหัวหน้าแผนกออกหนังสือเดินทางได้ช่วยจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างตลอดจนกระทั่งการติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ประจํา ในสถานทูตไทยในต่างประเทศและได้ไปขอพิซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเป็นอ่านเรียบร้อยทุกอย่างในการออกเดินทางเดือนม ก, กราคมปีพศ2493ได้เอาเดินทางจากประเทศไทยโดยเครื่องบินนางประภาซึ่งเป็นสิทธิ์ทำงานอยู่บริษัทเดิอนอากาศไทยจากัดได้ช่วยเสื้อตัวให้ในราคาพิเศษได้ส่วนลดเกือบ 50% เครื่องบินออกจากท่าากาศยานดงเนืองเวลาประมาณ8นาฬกา การเดินทางครั้งนี้มีพระภิกษุติดตามไปหนึ่งรูปชื่อพัสมุตมีศิษย์หนึ่งคนชื่อนายธรรมนูนเวลาประมาณฉันเพลนเครื่องบินก็ถึงสถา น, นีการบินเมืองย่างกุ้งมีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศพมา่ามาต้อนรับที่สนามบินคือหมอมหลวงปีกที่มารากุลนายสุ ป, ปันสเวตมานและ น, นันันเขาได้พาไปอยู่ในวิหารบนพระดีชเวดกอง ได้พักอยู่ในประเทศพามา่าประมาณ15วันได้ไปเที่ยวดูสถานที่ต่างๆในเมืองย่างกุ้งตอนนี้ได้ได้ไเห็นแต่ซากระเบิดตามสถานที่ต่างๆสงครามกะเกรี่ยงก็กําลังกําเริบอยู่ทางเมืองมันทะเลวันหนึ่งได้ออกเดินทางไปเมืองของสาวดีเพื่อนรมาส ก, การพระพุทธรูปนอดใหญ่ในตาบลหนึ่งพบทหารพามาร่าซึ่งมารักษาการอยู่ในบริเวณนั้น คณะทหารได้ให้ความสะดวกเวลาจะไปไหนมาไหนมีทหารติดตามไปด้วยสิบสองคนเวลาที่นอนพักในเวลากลางคืนก็เฝ้ารักษาการให้ความปลอดภัยไปนอนอยู่บนพจจระจดีมุเต่าซึ่งมียอดหักเวลากลางคืนได้ยินยเสียงปืนดังสะราดมันไหวจึงถามทหารที่ไปด้วยว่ายิงอะไรกันเขาตอบว่ายิงโคคอมมิวนิสต์เวลาเช้ามืด มีหญิงพม่าสองคนมาสนทนาด้วยเกิดศรัทธาได้นิ ม, มนต์ไปฉันที่บ้านเมื่อได้เที่ยวดูสถานที่ต่างๆในเมืองย่างกุ้งเสร็จแล้วก็ตาเตรียมเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียระหว่างพักอยู่ในเมืองย่างกุ้งได้มีพระภิกษุไทยองค์หนึ่งบวชในพมา่าชื่อสายหยุดได้นำปติต่ตแนะนาให้รู้จักกับเจ้าน่ายพมา่าจึงพากันเข้าไปในวังเจ้าพม่าองค์นี้ เป็นลูกสาวของพระเจ้าทีบอรกรุ่งมันทะเลได้สนทนาเรื่องขนรรมทาเลประเพณีของไทยให้เจ้าแม่ฟังเจ้าแม่เล่าขนรรมทำเลประเพณีของพมา่าให้เราฟังระหว่างกำลังสนทนากันเจ้าแม่รับสั่งว่าฉันเป็นคนไทยเจ้าแม่องนี้อายุประมาณ77บเจ็ชันสาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าทีบอรกรุงมันทะเลได้รับสั่งเป็นภาษาไทยว่า ท่านชอบฉันขนมต้มไหมแต่ไม่อยากพูดกันยาวฟังเรื่องราวดูแล้วพามาเห็นจะได้ตัวไปในสมัยรงศรีอุทยาแตกเจ้าแม่องนี้มีพระนามว่าสุทันตจันทเทวีได้รับสั่งขอความช่วยโืยบางอย่างว่าเวลานี้รายได้ขาดไปหมดขอให้ท่านช่วยบ้างเราจึงตอบว่าไม่เป็นไรตากามะอาตมาจะช่วย ที่เป็นอย่างนี้เพราะประเทศพมา่าได้เปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลใหม่พระบระมวงศานุวงศ์พม่าที่เคยได้รับเงินเดือนถูกตัดหมดจึงไม่มีรายได้ใดๆขอให้ท่านสงสารเถิดเพราะเป็นไทยด้วยกันถ้าแนะนำให้สถานเอกอักรราทูตไทยช่วยได้บ้างก็จะดีเจ้าแม่ได้รลบเรื่องให้ฟังและขอร้องดังกล่าวนี้ต่อมาจึงได้นาเรื่องเจ้าแม่องนี้ ไปเล่าให้มอมหลวงปิกทิปมาลากุลฟังท่านผู้นี้มีใจบุญจ้ากุศมากทั้งโภทั้งเมียขณะนั้นพระมหิตาดารงตําแหน่งเอกเอัคราชทูตมอมหลวงปิกทิปได้พาเราไปพบปะสนทนากับพระมหิตธธาเมื่อได้พบปะกันรู้สึกว่ามีความดีอกดีใจเหมือนญาตได้พบกันบรรดาคณะทูตทั้งหมดก็ได้ช่วยเหลือทุกอย่างก่อนที่จะออกเดินทางไปประเทศอินเดียได้แนะนํา ให้ความสะดวกทั้งทางราชการและส่วนตัวปลายเดือเมษายนพศ2494ได้เอาเดินทางจากเมืองย่างกุ้งโดยทางเครื่องบินไปถึงสามมิลกัน ก, นกนตาตาประมาณสี่โมงเย็นกับตันเครื่องบินลานี้เคยเป็นเพื่อนรักกันบัดนี้ได้ถึงแกกรรมเพราะเครื่องบินตกที่ฮ่องกงเวลาออกเดินทางเขาไี่คุยว่าจะให้ขับแบบไหน สูงต่าโลดโผนก็ได้เขาได้บอกว่าจะพาขึ้นสูงถึงหนึ่งฟิต ร, ระหว่างเดินทางรู้สึกมีคลื่นมากบริเวณภูเขาหิมาลัยอากาศหนาวจัดจนกระทั่งนั่งอยู่ที่ห้องกับตันไม่ได้ต้องกลับมานั่งที่เก้าอี้แล้วห่มผ้าเมื่อถึงสนามบินแล้วต่างคนก็ต่างไปเพราะคนขับมีสิทธิพิเศษไม่เหมือนคนโดยสารส่วนเราต้องถูกวคนตรวจโรค สำหรับการเข้าห้องมืดเขายกให้เราเป็นพิเศษในห้องมืดนี้ภายในห้องสว่างจ้าคนที่เข้าไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจต้องแก้ผ้าหมดแต่เคราะอย่างดีมีแขกคนหนึ่งพอเห็นหน้าเราโผล่เข้าไปในห้องใบหน้าก็ยิ้มแย้มใส่เราแสดงว่าเขาจะช่วยเราแข่คนนี้เป็นแขกสิทธ์ในที่สุดเขาให้ความสะดวกข้าวของไม่ต้องตรวจได้พักอยู่จนย่ำคำจึงได้มีฝรั่งคนหนึ่งมาขอโทษ และบอกว่าเดี๋ยวรถของบริษัทจะมารับต่อมาอีกสักคู่หนึ่งก็ได้ขนข้าวของขึ้นรถยน์วิ่งเข้าไปในเมืองกัลกักต้าหลายหม่ได้ไปพักอยู่ที่สมาคมมหาโพขณะที่ไปถึงเลขานุการใหญ่ของสมาคมซึ่งเคยเป็นเพื่อนเก่าไม่อยู่ได้ความว่าเขานำพระบรมธาตุไปทําการฉลองที่เมืองหลวงแล้วเลยเดินทางไปกัสมีละพวกพระที่อยู่ที่สมาคม ได้ะ จ, ะจัดแจงให้ความสะดวกทุกประการเพราะเราเป็นสมาชิกของสมาคมมาหลายปีเขาได้จัดให้ไปพักในตึกชั้นที่สระหว่างที่พักอยู่ได้ประติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับเรื่องหนงังสือเดินทางอยู่หลายวันจึงเป็นที่เรียบร้อยได้พักอยู่ที่สมาคมมหาโพธิ์จนถึงเวลาจจนเข้าบรรษาคิดว่าจะเดินทางไปประเทศลังกาได้นาดาบไปขึ้นเงินที่ธนาคาร ปรากฏว่าด้าบใบนี้ธนาคารที่ออกให้ไม่มีสาขาธนาคารในประเทศอินเดียธนาคารจังไม่ยอมให้ขึ้นเงินเขาชี้แจงว่าต้องไปขึ้นเงินที่สาขาธนาคารกรุงรอนดอนขณะนี้ถ้าเกิดความยุ่งยากตรวจดูงเงินที่ลูกสิธิ์เหลืออยู่ประมาณหนึ่งอยดูปีจะเดินทางไปในมันไหนก็ลาบากขณะเดยียวกันมีเงินปอนติดตัวอยู่ถึงแปดร้อยหกปอนแต่ธนาคารอินเดียไม่ยอมรับ เพราะกำลังเกลียดชังอังกฤษไม่ต้องการใช้เงินฝนไม่ต้องการพูดภาษาอังกฤษเว้นแต่จะจำเป็นจริงเราเลยต้องพอย พ, พย้าพอยฝนลำบากกับเขาไปด้วยในที่สุดได้ตั้งจาจสวดมนต์ภาวนาแล้วตั้งอธิษฐานว่าขอจงให้ข้าพเจ้าได้รับความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวแก่เงินคราวนี้อยู่มาวันหนึ่งเวลาประมาณบ่ายห้าโมงเยน็นมีคนคนหนึ่งชื่อ น, นันับนาวานุเคราะห์ เป็นทูตพาณิชย์ไทยได้มาเยี่ยมและถามว่าท่านอาจารย์มีเงินใช่ไหมจึงตอบเขาไปว่ามีไม่พอเขาจึงได้ล่วงกระเป๋าถวายให้เป็นจำนวนสองพันรูปีเมื่อได้รับเงินรู ป, ปีเรียบร้อยแล้วในจนในวันนั้นเพื่อนคนที่เป็นในขานุการของสมาคมมหาโพธิ์ก็ได้เดินทางกลับมาเขาด้านิมนต์ไปคุยที่ห้องพักแสดงความดีอกดิใจแล้วสนทนากันเป็นภาษาบาลี เขาถามว่ามีเงินใช้พอไหมต้องการเท่าไรไม่ต้องเปลยงใจเรียกได้ทุกเวลาได้ตอบขอบใจเขาเป็นภาษาอังกฤษว่า thank you very m u เขาก็ยิ้มตอบตั้งแต่วันนั้นมาขอได้รับความสบายใจทุกประการพอจนเวลาเข้าบรรษามีพระองค์หนึ่งซึ่งรักใคร่กันมากเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่สารนาชื่อสังขรารัตนะได้ชวนไปอยู่จำพรรษาที่นู่น จึงได้ตอบตกลงไปกับท่านวันนุ่งขึ้นท่านได้ออกเดินทางไปก่อนถึงวัน14ข่ค่ำเดิน 8, แเราจึงได้ออกเดินทางตามไปพอดีเพนวัน15้าค่ำก็ถึงวัดเพื่อนฝงได้จัดที่พักให้ตึกหลังใหญ่มีสี่สบห้องอยู่กันห้องละคนแล้วได้อยู่จำรรษาที่สารานานี้ในระหว่างจำรรษาได้รับความสะดวกสบายเพื่อนที่รู้จักกันเมื่อมาครั้งก่อนก็ยังอยู่การขบฉันก็สะดวก ในเวลาเชา้าเขาได้นำนมโอนตินโรตีสามสี่แผ่นมาส่งให้ถึงที่ทุกวันฉันเท่านี้ก็รู้สึกอิ่มแต่พอสายหน่อยเขาก็ให้ฉันข้าวสวยแกงถั่วแกงงาไม่มีเนื้อสัตว์ฉันเจบางวันก็มีอาหารข่าวระหว่างอยู่จำรรษามีการสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วไปน้ำส ก, การพระจดีองค์ใหญ่ยอดหักอยู่ในวิหารบางวันก็ไปเที่ยวเมืองพาราณสี ไปเที่ยวดูยสถานที่ของพวกพราหมณ์วัดทิเบตวัดพมา่าวัดฮินดูวัดลังกา จ, น, จนเวลาออกพรรษาเดือนไยสวดมนต์แล้วขึ้นไปนั่งพักอยู่นาวิหารคนเดียวการสวดมนต์ก็สวดเหมือนพระไทยแต่เร็วที่สุดวันที่นั่งพักอยู่นาวิหารเป็นเวลากลางคืนเดือนไงได้นั่งสมาธิเพ่งมองดวยอดพระเจดีย์ระลึก ถ, ถึงพระเจ้าอโศกมหาราช ว่ามีบุญคุณมากต่อพรนะศาสนามองเพงเป็นอนา น, านเกิดแสงสว่างบูชากระจายตามต้นไม้และพระเจดีนึกในใจว่าพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าคงมีจริงอยู่มาวันหนึ่งเวลาชนออกบรรษาเจ้าหน้าที่พุทธสมาคมได้มานิมนต์ไปรับพระธาตุและพระอาทิธาตุของพระโมคคัลลาและพระสาริบุตรซึ่งทางราชการได้นาไปสมโพทธที่กรงนิวเดนฮี และได้นําส่งกลับมาโดยเครื่องบินจึงได้พาเขาไปทําการต้อนรับที่สนามบินเครื่องบินถึงสนามบินเวลาประมาณ11บเนากาเศษเมื่อเครื่องบินจอดที่ พ, พแล้วเขาได้ให้เดาเข้าไปรับพระจดีทองเหลืององค์เล็กๆซึ่งมารทมบรรจุพรทธาตพระโมกขลาและพระสารีบุตจรจึงได้นํามาถึงพุทธสมาคมแต่ไม่ได้ขอเขาดูเพราะใจรู้สึกเจ๊เฉยต่อจากนั้นเขาได้จัดส่งพระธาตุนั้นไปรักษาวไว้ ที่สำนักงานเมือง ก, กัลกตาเป็นอันว่าเราไม่มีโอกาสได้เห็นพ่อปัญหาแล้วก็ได้รับจดหมายด่วนบ้างธรรมดาบ้างซึ่งสมงปจากประเทศไทยและประเทศพม่ามีใจความในจดหมายว่าขอให้เรากลับไปเมืองย่างกุ้งโดยด่วนเพราะเจ้าแม่สุทันตะจันทเทวีได้รับเงินนแล้วดีอกดีใจลูกชายลูกสาว ข, ของท่านได้ชักชวนเพื่อนฟอง จะสร้างวัดถวายที่เมืองย่างกุ้งขอให้รีบมาจัดการเมื่อได้ทราบดังนั้นจึงได้รีบเดินทางกลับเมืองกัลกะตาเมื่อมาถึงแล้วได้เตรียมวีซา่าพาสปอร์ตกับเมืองย่างกุ้งวันที่ไปถึงเมืองย่างกุ้งคณะกรรมการสร้างวัดได้พากันไปรับที่สนามบินและก็พาไปวังเจ้าแม่ในวันนั้นณที่นั้นมีกรรมการนั่งประชุมกันอยู่ประมาณ30มสิบคนคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่เป็นเจ้านาย ข้าราชการพ่อค้าข้าหบดีได้มาประชุมหารือกันจะซื้อที่ดินถวายให้สร้างวัดที่ดินที่จะซื้อมีลักษณะเป็นเนินเขาดิน ส, งสงูส ง, สงมีเนื้อที่ประมาณ9เอเคอร์เจ้าของจะขายในราคาราวส0ม0 0ื่นรูปีเมื่อได้ทราบโครงการย่อแล้วก็ได้กลับไปพักอยู่ที่พัชดีตามเคยต่อมาได้นำความเรื่องนี้ ไปหาฤหๅอเอกอักรษรชทูตไทยตอนนั้นพระมหิทาได้ยา้ายไปประจําประเทศอื่นแล้วคงเหลือจุดแต่มอมหลวงปิกทิพมาลคุณดําลงตําแหน่งแทนจึงได้นําเรื่องนี้มหาหาฤๅอมหลวงปิกทิพกล่าวว่าเรื่องเช่นนี้ถ้าทําเป็นทางราชการได้จะดีมากทางโทษจะได้ช่วยเหลือได้เต็มที่ความเห็นทั้งฝ่ายคณะกรรมการก็อยากให้ทางไทยได้ช่วยเหลือเพราะมีความประสงค์จะสร้างวัดให้เป็นแบบไทยทุกอย่าง ประธานกรรมการเป็นคนแก่อายุมากเป็นที่เกรงขามของคนในสมัยก่อนเพราะในอดีตเคยเป็นนักการเมืองสําคัญคนหนึ่งของพมา่าอายุประมาณเจ็สิบปีเป็นอาจารย์ของตะขินนุนายกรัฐมนตรีของพมา่าในเรื่องนี้เราเองก็นึกว่าคงสําเร็จและไปะติดต่อกับคนไทยซึ่งอยู่ในเมืองย่างกุ้งหลายสิบคนต่างคนต่างพากันดีอกดีใจอยู่ต่อมาไม่นาน ก็ได้รับจดหมายจากกรุงเทพบ่อยๆได้ทราบข่าวเรื่องไม่สู้ดีบางเรื่องเกี่ยวถึงนายบุญช่วยสุภาษีจึงได้คิดกับประเทศไทยเพื่อจะได้มาติดต่อกับคณะ ร, รัฐบาลไทยและคณะสงไทยให้ทราบเรื่องด้วยเดือนธันวาคมพศ2 4 9 4ได้โดยสารเครื่องบินจากสนามบินย่างกุ้งถึงกรุงเทพตอนนี้พระที่ได้ติดตามไปได้กลับมาก่อนหลายวัน ได้มาพักอยู่กับสมเด็จพระมหาวิรวงศ์อ้วนที่วัดบรมนีวาดและได้นําเรื่องการสร้างวัดที่เมืองย่างกุ้งการาเปลียนสมเด็จสมเด็จได้ตึกทองอยู่เป็นเวลาหลายวันเกือบเกือบจะได้รับอนุ ญ, ญาตให้เดินทางไปประเทศพมา่าอีกก็เผ อ, อิญมีเรื่องบางอย่างแทรกซึมเข้ามาคือมีพระสงฆ์บางรูปเมื่อได้ทราบข่าวว่าจะตั้งวัดขึ้นในเมืองย่างกุ้งก็ได้แสดงตัวติดต่อเป็นเจ้ากิจการเขาแสดงความหมายว่า พระอาจารย์ลีทำไม่สำเร็จนอกจากเขาเรื่องนี้ทางเมืองย่างกุ้งได้มีจดหมายมาบอกข่าวอย่างนี้เขาจะรู้ได้อย่างไรไม่ทราบพระองค์ที่แสดงตัวเป็นเจ้ากิจ้าการนี้เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทรงสมณศักดิ์ซึ่งอยู่ในพระนคร น, นี้เองเมื่อได้รับทราบเรื่องดาวจนีเราก็ปล่อยมือไม่เกี่ยวข้องโดยได้มีจดหมายไปถึงเอกอัครทูตไทยประจาประเทศพมา่าขอถอนเรื่องนี้ในที่สุดเรื่องนี้ เป็นอายุติกันไปจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่เห็นมีใครไปก่อสร้างขึ้นเมื่อเหตุการณ์ได้เป็นไปดังที่กล่าวมาแล้วจึงได้ออกเดินทางจากวัดประดมนิวาสกลับไปเยี่ยมญาติโยมที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างนี้ได้มีคนบางจำพวกซึ่งอิจฉารศิยาพยาบาทเหล่าได้หาเรื่องทำลายชื่อเสียงเกเรคุณทุกวิถีทางมีอยู่มากมายหลายคนแต่จักไม่ขอกล่าวชีตัว เพราะถือเสียว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ช่วยสร้างความดีให้แก่เราเรายิ่งมีมณะสูงขึ้นทุกทีทุกทีอยู่มาจนจะเขาพรรษาเก็ได้เดินทางจากจังหวัดจันทบุรีกลับมาพักอยู่ที่วัดบ ร, รมนิวาสตามเคยแล้วได้เดินทางออกไปอบรมญาติโยมที่วัดสเสนหาจังหวัดนครปฐมต่อจากนั้นได้ไปพักอยู่ที่วัดประชุมนาีจังหวัดราชบุรีที่วัดนี้ มีเจ้าจอมรพัธนาเป็นประธานได้ไปนิมนต์มาได้ไปพักอยู่ที่วัดนี้หลายวันได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างเช้าวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งอายุประมาณยี่สิบปีเข้ามานั่งอยู่หน้าธรรมตาสักครู่หนึ่งก็เกิดอาการชักจึงได้ทำน้ำมนต์รดให้ไล่เลียงถามดูได้ความว่ามีปีศาจตัวหนึ่งเป็นผู้ชายได้ถูกฆ่าตายโหงได้อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ แล้วได้เข้าสิงคนจนเกิดมีโรคขึ้นในตัวเป็นปุ่มแผลโตเท่านี้หัวไม่มือพอทราบเรื่องราวอย่างนี้เราก็ไม่มียาอะไรเวลานั้นกําลังนั่งชันมากอยู่จึงเอาชานหมากกว้างไปให้เขากินอาการที่เป็นปุ่มแผลในตัวก็หายไปได้ปรากฏเหตุการณ์อย่างนี้ถึงสามครั้งและมีคนเห็นอยู่หลายคนด้วยกัน